ในขอดูหน้าทีมกรรตหน่อยนะการภาวนาจริงๆไม่ยากอะไรหรอกเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมนะว่าคือการต้องทำอะไรยากๆทำไปอย่างลำบากนะแล้วก็ทำไปนานๆวันหนึ่งจะรู้แจ้งขึ้นมาไม่แจ้งหรอกเราต้องรู้ก่อนว่าการปฏิบัติธรรมนะี่คืออะไรทำไปเพื่ออะไรทาอย่างไร ถ้ารู้ให้ชัดแล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจเราจะเรียนรู้ลงมาในกายเรียนรู้ลงมาในใจเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงว่าจริงๆตัวเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามันก็ประกอบด้วยกายกับใจถ้าแยกให้ละเอียดออกไปก็ประกอบด้วยรูปธรรมกับนามธรรม นำมาทำก็แยกออกไปอีกเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เป็นความจำํนะจำจําได้ความหมายรู้เป็นความปลูกแต่งของจิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างกลางๆบ้างเป็นตัวจิตซึ่งเป็นตัวรู้บ้างนี่ถ้าแยกให้ละเอียดออกไปนะถ้าย่อๆก็คือรูปกับนามกายกับใจพูดง่ายๆ หรืจะแยกออกไปเป็นอายตนะก็ได้นะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราถ้าแยกออกไปก็แยกได้เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือจะแยกออกไปให้ละเอียดออกไปอีกแยกเป็นธาตุสิอย่างนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรส佛พธรรมารมนี่อายตนะภายนอกอีก6กหกหได้ 6, 6, 6, 12 แยกออกไปได้อีกจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมี6รวมแล้ว18ทําทำไมต้องแยกเยอะแยะแยกต้องทำไมแยกตั้งหลายแบบเราะจริตนิสัยของคนไม่เหมือนกันบางคนคนไหนถนัดดูจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องขัน5ให้เพราะขัน5เนี่ยมีรูป1เท่านั้นนะแต่มีนามตั้ง4ลงไปแยกแยะนามมาทำออกไปละเอียด รูปธรรมนั้นมองภาพรวมๆั้งมันเห็นรูปที่หายใจเข้ารูปที่หายใจออกไม่ใช่เราเห็นรูปที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราไนเนี่ยไม่ได้แยกมากต่แยกนามออกละเอียดเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางคนีชอบดู ก, กายท่านสอนเรื่องอายตนนะเพราะอายตนะเนี่ยท่านแยกส่วนที่เป็นรูปไปเยอะ ตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นส่วนที่เป็นรูปใจเป็นนามเอาแค่ใจอันเดียวนี่บางคนพวกอยากรู้เยอะต้องเรียนมากๆท่านสอนให้แยกเยอะแยๆเลยคือแยกเป็นธาตุสิอย่างรวมความแล้วจะแยกเป็น2อย่างคือรูปกับนามแยกเป็น5อย่างนะคือรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันห้าหรือจะแยกเป็นอายตนะหก นะตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือจะแยกเป็นธาตนะุสิบแปดตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะทำมารมนะแล้วก็จิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะแยกยังไงก็ได้แต่รวมความแล้วถ้าแยกออกไปเราจะเห็นว่าตัวเราไม่มีนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนีมันประกอบด้วยองค์ประกอบจำนวนมากนี้แหละ อย่างน้อยก็แยกสองส่วนก็ได้เห็นร่างกายอยู่อันหนึ่งจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อีกอันหนึ่งอย่างนี้ก็ได้จะเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราแยกเป็นขันห้าก็ได้แยกเป็นอายตนาหกก็ได้แยกเป็นธาตุสิบแปก็ได้รวมแล้วก็คือจับมันแยกออกมาถ้าแยกออกมาแล้วมันจะเห็นว่าตัวเราไม่มีนี่เป็นวิธีเรียนของศาสนาพุทธชื่อว่าวิพัชวิธีวแหวนสระอิพอสำเพอไมหาอากาศชอช้าง มีพัดชะวิธีนะมีพัดชะจับแยกออกไปเหมือนอย่างเราเห็นว่ามีรถยนต์หนึ่งคันเนะี่ยเราจับมาถอดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นนี่ลูกล้อนี่พวงมาลัยนี่เบาะนี่ตัวถังนะนี่ถังน้ํามันอะไรนี้แยกแยกออกไปแล้วจะพบว่าแต่ละอันแต่ละอันนั้นไม่ใช่รถยนต์หรอกนะรถยนต์หายไปแล้วรถยนต์ประกอบกันขึ้นมาเพราะอะไหล่จำนวนมาก ตัวเราประกอบกันขึ้นมาก็เพราะขันนะเพราะธาตุเพราะอายตนะมาประชุมกันขึ้นมางั้นที่เราแยกออกมานะแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามอะไรต่ออะไรเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าตัวเราจริงๆไม่มีวัตถุประสงค์อยู่ที่ตรงนี้เองถ้าตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์ล่ะรูปมันทุกข์นามมันทุกข์นะไม่มีเราพูดทุกข์หรอกความทุกข์มีอยู่ รูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์ขันธ์ห้าเป็นทุกข์อายตนะเป็นทุกข์ธาตุเป็นทุกข์แต่ไม่มีตัวเราที่เป็นทุกข์ไม่มีตัวเราซิอย่างเดียวจะต้องกลุ้มทําไมอ่ะมย่างเราเห็นร่างกายของคนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยเราเดือดร้อนไหมนี่เราไปสําคัญมั่นหมายว่านี้ร่างกายของเราถ้าสติปัญญาแก่กล้าพอนะเห็นมันไม่ใช่เราละเห็นมันไม่ใช่เราเหเห็นเหมือนคนอื่นทุกข์มันจะทุกข์อะไรนะ คนทั้งหลายเห็นไหมเขาสมหวังก็ผิดหวังเราไปเกี่ยวอะไรด้วยเราไม่เกี่ยวเราก็ไม่ทุกข์ด้วยนะถ้าเราเห็นจิตเป็นคนอื่นเลยแล้วเราก็ไม่ทุกข์กับจิตหรอกจะสมหวังหรือจะผิดหวังก็ไม่ทุกข์กับจิตหรอกเพรา้นที่ท่านหัดมาเรียนนะมาทํากรรมฐานมาทำํำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านไม่แยกเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวเราออกมาเป็นส่วนย่อยๆแยกออกมาเพื่อให้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนะถ้าไม่มีตัวเราสัอย่างเดียวนะ ที่ท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าไม่มีตัวกูของกูความทุกข์ก็ไม่มีที่ตั้งนะความทุกข์ไปอยู่ที่กายไปอยู่ที่ใจแต่ไม่เกี่ยวกับเรามีมีความทุกข์แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์นี่ค่อยศึกษาไปแล้วเราจะเข้ามาสู่สภาวะนี้ไม่ใช่การโปรแกรมจิตไม่ใช่การสะกดจิตแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วความสําคัญผิดตั้งหากทําให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรา อย่างร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะไม่เฉพาะพระพุทธเจ้าหรอกที่เห็นคนศาสนาอื่นก็เห็นได้พระพุทธเจ้าเคยสอนนะบอกว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สะดับหมายถึงอย่างพวกเราเป็นปุถุชนที่ได้สะดับแล้วนะได้ฟังธรรมะปุถุชนที่ไม่ได้สะดับเนี่ยยังสามารถเห็นได้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรามีแต่ในธรรมวิัยในคาสอนของท่านเนี่ยถึงจะทาให้เราเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มีถ้ายัางร่างกายไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราอยู่นะสักยัตทิฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวเราเนี่ยไม่ขาดเป็นพระโสดาบันไม่ได้จริงหรอกยกตัวอย่างคนคนหนึ่งนะพวกเรารู้จักชื่อดีแต่คงไม่รู้จักตัวหรอกคือไอน์สไตน์ไอนะ์สไตน์นั้นเห็นนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไอน์สไตน์เคยเขียนเอาไว้บอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเศษทุรีของจักรวาลเป็นขี้ผงเท่านั้นเอง เนเศษรษฐุลีของจกักรวาลไม่มีนัยยะสําคัญอะไรเลยนะแต่ความสําคัญมั่นหมายนะทำให้มนุษย์รู้สึกว่าตัวเรามีอยู่เพราะเรามีตัวเราขึ้นมาก็มีสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่นะก็ยึดถือตัวเองด้วยยึดถือสิ่งอื่นๆที่เนื่องไปกับตัวเองด้วยยึดไปยึดมานะคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าโลกเจ้าจากักรวาลก็ได้อีกจะยึดจกักรวาลอีกนะทั้งๆที่ตัวเองเป็นแค่ขี้ฝุ่นเท่านั้นเองเนีไอน์สไตน์เขมองเห็นนะร่างกายนี้เป็นแค่เศษฐุลีเท่านั้น แต่เขาไม่ลึกซึ้งถึงขั้นจิตเฮ้ยนายสไตเก่งหรอกนะแต่ไม่นิพานหรอกยังนิพานไม่ได้หรอกแต่อตายสไตก็ยังเก่งนะหลวงปูดุลเคยวิจารณ์สาสไตให้หลวงพ่อฟังบอกสไตมัเก่งมากเลยสติปัญญาแหลมคมมากนะเห็นว่าตัวตนไม่มีสามารถมองออกไปนะก ร, ระทั่งรูปธรรมทั้งหลายนะแยกออกไปเนกรทั้ทงไม่ใช่ตัวตนเลย เล็กกว่าอะตอมเล็กกว่าอนูลงไปอีกแต่ว่าเขาไม่เขาไม่เห็นว่าจะใช้ประโยชน์ได้ยังไงเขาไม่เห็นว่าจะใช้ประโยชน์ได้ยังไงเขาเลยไม่เอาท่านบอกไอสไตล์เนี้ยสติปัญญาเนี้ยนะสามารถทําความเข้าใจนิพพานได้แต่เข้าใจด้วยการคิดเอาสามารถเข้าใจนิพพานได้เห็นเลยทั้งโลกทั้งจกักรวาลนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าเขาไม่เห็นว่ามีประโยชน์อะไรเขานิพพานไม่เป็น แปกนะครูบาอาจารย์ไม่ได้เรียนหนังสือนะโอแตกฉันสรุปง่ายๆนะเรามาภาวนามารู้กายรู้ใจเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อไหร่ล้างความเห็นผิดเมื่อกายนี้ใจนี้เป็นตัวเราได้จะเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่ล้างความยึดถือในกายในใจได้จะเป็นพระอระหันต์พระอรหันต์ไม่ใช่มนุษย์ประหลาดพระอรหันต์ไม่ใช่ขันธีพระอรหันต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ พวกเราชอบไปวาดภาพพระลหันให้พี่กนพิการพระลหันนี่เหมือนพวกพิการนานาชนิดเลยนะเจอกระดุกกระดิกก็ไม่ได้ถือว่าถ้ากระดุกกระดิกแล้วมีความโลภเหมือนพระลรหันต้องนั่งเน <c oughs> <c oughs> มันนั่งแข่งกันก็ได้นะไม่ได้พิการขนาดนั้นหรอกนะ <c oughs> พระลหันคือท่านผู้ที่จิตใจท่านไม่ยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียว จิตใจที่ไม่ยึดอะไรเลยนะเป็นจิตใจที่โปร่งโล่งเบาไม่มีภาระเอาหลวงพ่อถามนะระหว่างกติกกับยาดมมันไหนหนักกว่ากันเนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องสัมพัทธภาพนะะเห็นไหมชักไม่กล้าตอบเลยเห็นไหมดูไงก็กรติกต้องหนักกวา่าใช่ไหมแต่ถ้าหลวงพ่อวางกติกไปใช่ไหมยาดมหนักกว่าแล้วเห็นไหมนี่เป็นเรื่องสัมพัทธ์ทั้งนั้นเลยเห็นไหม จิตนี้เหมือนกันนะถ้าไปหยิบเวยอะไรขึ้นมาซึ่งนิดหนึ่งจิตก็มีภาระแล้วจิตก็มีน้ําหนักขึ้นมานะพระราหันเนี่ยนะท่านบอกว่าพระราหันคือท่านผู้วางภาระลงไปแล้วไม่หยิบเวยภาระอันใหม่ขึ้นมาพวกเราวางภาระอันหนึ่งแล้วจะหยิบภาระอีกอันหนึ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วนึกออกไหมตะครุบปุ๊บอันนี้ยังไม่เสร็จอ้วนเอานี้อีกแล้วนะเนื้อปากงับก็วีกนะลัวจะได้น้อยไปเอ เนื้อมันหาภาระมาใส่ตลอดเพราะอะไรมันมีกูเพราะมันมีกูนะมันต้องมีของกูขึ้นมาล้หาอะไรแถมขึ้นมาว่าได้เยอะยิ่งดนะีหารู้ไม่ว่านั้นสร้างภาระขึ้นมาให้กับจิตใจอย่างแสนสาหัสเลยนะนี่เรามาพอนานะจนเห็นว่ากูก็ไม่มีกูก็ไม่มีแล้วมีอะไรมีรูปธรรมนามารำมีอะไรมีขันห้าแต่ขันห้าไม่ใช่ตัวกู มีอะไรมีอายตนะหตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูนะมีอะไรมีท่า18แต่ท่าสิก็ไม่ใช่ตัวกูของกนะูจิตใจซึ่งมันไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมามันมีความสุขที่สุดเลยมีบทสวมดมนต์อยู่หนึ่งบทนะบอกว่าขันทั้ง5เป็นภาระสวดได้ไหมภาระเวเปันจกขันธะ คันทั้งห้าเป็นภาระส่วนได้หรอกส่วนใหญ่บางทีชอบอยู่วัดก็ส่วนได้แต่ทําไม่ได้หรอกคันทั้งห้าเป็นภาระนะบุคคลแบกของหนักเป็นภาระนี่เป็นของหนักบุคคลแบกของหนักพาไปนะย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงพระอริยเจ้าทั้งหลายคือพระอระหันต์เนี่ยท่านวางภาระลงแล้วแล้วท่านไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกนะท่านก็พ้นจากความทุกข์ใจของเรานี่หยิบฉวยตลอดเวลานะเพราะมันมีความสําคัญมั่นหมายนะ ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรามีตัวเราจริงๆก็หยิบเวยทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเพื่อประกอบอิสริยยศนะเพื่อจะได้ย้ําว่าตัวเรามีอยู่จริงๆกลัวว่าตัวเราหายไปนะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อประกาศอัตตาทั้งสิ้นเลยจะคิดก็คิดประกาศอัตตาจะทําก็ทําประกาศอัตตาจะพูดก็พูดประกาศอัตตาสังเกตไหมเวลาเราพูดกับใครสักคนหนึ่งระวางฟอร์มนึกออกไหมถ้าพูดกับคนนี้ต้อง เตทาพูดอย่างไงี้ยนี่กูเหนือกว่าเนแล้วพูดกับผู้ใหญ่กว่ากูผมครับผมครับผมนพูดเป็นอยู่คำเดียวครับผมครับผมนใช่มประกาศอัตรานะเนี่ยผมเป็นคนเรียบร้อยครับเห็นไหมผมเคารพผู้ใหญ่ครับเนี่ยสิ้นปีอย่าลืมเลื่อนขั้นให้ผมนะถ้ากูใหญ่กูใหญ่สังเกตไหมพวกที่อยากใหญ่นะมันจะวางฟอร์มมาก ค น, ค, นะคนที่ใหญ่จริงไม่ค่อยวางนะคนที่ใหญ่จริงไม่ค่อยวางนะกลับทําตัวเรียบง่ายเพราะเขาใหญ่เต็มที่ไปแล้วฉนะนั้นมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายอย่าว่าแต่มนุษย์เลยสัตว์ก็เหมือนกันทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประกาศอัตตานะเราไม่ว่าเราทําอะไรนะเราจะเติมอัตตาตัวตนเข้าไปเสมอนะย้ําตลอดเวลาถ้าคนอื่นเขารับรองอัตตาของเรานะเรายิ่งภูมิใจนะ เพราะอะไรมันหวงแหนมากมันกลัวความสูญเสียกลัวว่าวันหนึ่งอัตตาตัวตนนี้จะสลายไปเพราะงั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันย้าว่าฉันยังอยู่ฉันยังอยู่ใครเคยได้ยินเพลงไหมฉันยังอยู่ยังอยู่ยังคนทั้งโลกอิจฉาเห็นไหมเนี่ยกูเก่งกูแน่กูหนึ่งเนี่ยงั้นเรามาพอนานะเราจะเห็นตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีเนี่ยไม่ต้องปรุงแต่งมากหรอกมีชีวิตอยู่เรียบเรียบง่ายๆนะมีแต่ความสุขนะไม่ได้ดิ้นรนมากหรอก กระทั่งคนเข้าวัดก็ปรุงแต่งนะสังเกตไหมเวลาพวกเรามาวัดเราจะทําตัวเรียบร้อยกว่าความเป็นจริงใครทําอย่างนั้นบ้างยกมือให้ดูนะเยอะแยะเลยล่ะมียกม้างไม่ยกบ้างนะสังเกตไหมเวลาคุยกับหลวงพ่อส่วนใหญ่เลยนะเอาตัวปลอมมาคุยเห็นไหมท่านอาจารย์คะอะไรเงี้ยนะเอออะไรเงี้ยนะตัวปลอมทั้งนั้นเลยหรือผมอย่างโน้นผมอย่างนี้ครับตัวจริงหลาย จริงแต่ว่าต้องวางฟอร์มไว้ก่อนเพื่อให้ดูดีอยากให้คนเขานิยมยกย่องนะนี่เราพนานะลอกเปลือกตัวเองออกมาแต่ไม่ได้สอนให้ชั่วนะจริงๆชั่วอยู่แล้วหลว ง, งพ่อไม่ได้สอนให้ชั่วจริงๆมันชั่วอยู่แล้วล่วะเราไปสร้างเปลือกจอมปลอมขึ้นมาแต่ก่อนที่จะลอกเปลือกตัวเองนะถือศีลหาไว้ก่อนเพราะพอเราลอกเปลือกเราไม่เก็บกดขึ้นมาเมื่อไหร่นี่นะ สันดานร้ายๆเนี่ยจะผุดขึ้นมาทํางานนั้นเราอย่าอย่าไปอยู่ๆก็ไม่ถือศีล น, นะแล้วก็ไปเจริญวิปั ส, สนาเลยเนี่ยโห่ชั่วเลยล่ะไปไม่รอดเลยเพราะฉั้นเบื้องต้นถือศีลห้าไว้ก่อนศีลห้ามีประโยชน์อะไรศีลห้าเนี่ยเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาทําไมต้องควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาเพราะต่อไปนี้จะไม่ควบคุมพฤติกรรมทางใจ ทางใจนี่นะมันดีขึ้นมาก็รู้มันเร็วขึ้นมาก็รู้มันเป็นยังไงรู้อย่างที่มันเป็นไม่ควบคุมมันละนี่ถ้าไม่ควบคุมมันแล้วกิเลสมันขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลนะบางทีมันระบาดออกไปมันไปร้ารานคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาเพราะฉั้นเราถือศีลห้าไว้ก่อนควบคุมทางกายทางวาจาเอาไว้ก่อนแต่ทางใจนี่ไม่ควบคุมไม่เก็บกดทางใจนี่เราจะรู้อย่างที่มันเป็นจริงๆ เหมนที่พระพุทธเจ้าสอนดูกรา้กาภิสูจทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะเห็นไหมฉันไม่ได้บอกว่าดูกราพิสูจทั้งหลายห้ามมีโทสะห้ามนิ่ขมแล้วนะกดแล้วนะขมแล้วนะท่านไม่ได้สอนว่าพิสษุทั้งหลายเมื่อมีโทสะให้รีบละเสียในสติปัฏฐานเนี่ยท่านสอนว่าภิสษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะท่านสอนว่าอะไรท่านสอนว่าเมื่อจิตมีโทสะ ให้รู้ว่ามีโทสะไม่ใช่เมื่อเรามีโทสะนะไม่มีเรานะสังเกตให้ดีในสติปัฏฐานไม่มีคําว่าเราอยู่เลยในวิปัสสนากรรมฐานไม่มีเราอยู่เลยท่านบอกว่าพิสูจนทั้งหลายไม่จิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตมันมีโทสะนะไม่ใช่เรานะเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะเห็นไหมกริยามีคําเดียวคือคําว่ารู้ ดูกร้พิกสูทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเมื่อจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะไม่ใช่เรามีราคะ น, นะแต่จิตมันมีราคะไม่ใช่ราคะของเราหายไปแต่ราคะที่เกิดกัจิตนั้นดับไปค่อยๆดูไปเราจะถอนความเห็นผิดไม่มีตัวเราเราจะเห็นแต่ขัน5้ามันทำงานเห็นจิตมันมีราคะไม่มีเราเห็นจิตมีโทสะไม่มีเราเห็นจิตมันหลงไม่ใช่เราหลงนะ เห็นกายมันเดินเห็นรูปมันหายใจเข้าเห็นรูปมันหายใจออกนะไม่ใช่เราหายใจเข้าเราหายใจออกเห็นรูปมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนการทำวิปัสสนากรรมฐานนั้นทำเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราในเบื้องต้นถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราเราดูไปกายมันทำงานได้เองจิตมันทำงานของมันเองไม่ใช่เราทำงาน กายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจกายมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนดูเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้จิตมันก็ไม่ใช่เราจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงสั่งมันไม่ได้นะห้ามมันไม่ได้ไหนใครสั่งจิตได้บ้างเชิญสั่งเลยจงเป็นพระอรหันต์นักการบัตินี้เถนนะสั่งเข้าไปสิมันไม่เป็นหรอกสั่งมันไม่ได้นะสั่งเข้าไปจงมีแต่ความสุขล้วนๆสั่งได้หมสั่งไม่ได้ ชองอย่ากโกรธนะจงเป็นคนดีพอทําได้ไหมเพ่งเอาไว้ก็ได้เหมือนกันแต่ได้ชั่วคราวนะถ้าเพ่งเอาไว้ก็ดูดีดูไม่โกรธใครด่าก็ไม่โกรธนี่ทำงี้เนี่ยด่าได้เชิญดา่านะไม่โกรธหรอกนะเพราะมันแกล้งทําน้ํากดเอาไว้แต่โดยธรรมชาติของจิตเนี่ยพอกระทบอารมณ์แล้วจะเกิดปฏิกิริยากระเทือนขึ้นมานะ เรามีหน้าที่รู้เท่านั้นกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติตาหูจมูกลิน้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาพอกระทบไปแล้วเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันนะนี่ฝึกไปอย่างนี้นะเวลาดูกายก็เห็นร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนตรงที่เห็นว่าไม่ใช่เราเนี่ไม่ใช่คิดเอาแต่ถ้าใจเราตั้งมั่นใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมานั่นจะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ง ถ้าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อไหรเนี่ยจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่ทํางานอยู่ไม่ใช่เราอันนี้เห็นได้ทันทีปุถุชนก็เห็นได้นะส่วนจิตนั้นดูยากขึ้นคอยตามรู้ตามดูไปตามองเห็นรูปจิตก็ยินดียินร้ายขึ้นมาให้มีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตยินดียินร้ายขึ้นมาให้มีสติรู้ทันจมูกได้กลิ่นรินได้รสกายกระทบสัมผัสจิตยินดียินร้ายขึ้นมาให้มีสติรู้ทัน สมมติว่ามีลมเย็นๆมากระทบเราเนี่ยเราจะยินดีหรือยินร้ายแน่ใจนะว่ายินดีเกิดช่วงนั้นหนาวจัดนะแล้วลมเย็นๆมากระทบยินร้ายนะเห็นั้มว่าสัมผัสนะไม่ใช่มีหลักสูตรตายตัวว่าลมเย็นๆมากระทบแล้วต้องยินดีออนะสมมติมันหนาวจัดนะฮิมาจะตกแล้วมีลมร้อนพัดมาจะดีใจนะนะเรื่องของความสัมผัสทั้งสิ้นเลย เราคอยรู้ทันพฤติกรรมของจิตไหมนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แนละจิตเราหวั่นไหวยังไงยินดีก็รู้ทันยินร้ายก็รู้ทันรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นความจริงว่ามันยินดียินร้ายได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันได้เองจิตจะรู้อารมณ์นะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็รู้ได้เอง จิตรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจะเกิดความยินดียินร้ายหรือเกิดความเป็นกลางมันก็เป็นได้เองนะใครสั่งได้บ้างว่าจงเห็นอย่างเดียวเอาลองมองหน้าหลวงพ่ออย่างเดียวห้ามคิดลองดูซิทำได้ไม้ห้ามฟังด้วยนะให้มองอย่างเดียวห้ามฟังเสียงกำลังพูดนี้ห้ามฟังห้ามได้ไหมถ้าไม่ได้ตาจะเห็นรูปหูจะได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายจงกระทบสัมผัส ห้ามไม่ได no ้หรอกที่จะรู้นะงั้นเราห้ามไม่ได้เราสั่งจิตไม่ได้จิตจะเป็นยังไงจิตจะไปเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายหรือจิตจะหลงไปคิดไปนึกทางใจเราสั่งไม่ได้เราเลือกไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติทำแล้วไปสั่งมันไปเลือกมันนะปล่อยให้มันกระทบอารมณ์ไปมันอยากเห็นก็ให้มันเห็นไปมันอยากฟังก็ให้มันฟังไปมันอยากคิดก็ให้มันคิดไปแต่มีสติตามรู้มันไปเรื่อยจิตไปฟังก็รู้จิตไปดูก็รู้จิตไปคิดก็รู้นะ รู้อย่างนี้บ่อยๆเรียกว่ารู้ทันจิตนี่สเต็ปที่หนึ่งนะทั้งแรกรู้ทันมันตาจิตไปที่ตานะจิตไปดูก็รู้จิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดที่รู้ก็รู้นะรู้ไปเรื่อยต่อไปพอมันไปดูมันเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันที่ความยินดียินร้ายนี่มันไปฟังเสียงนะฟังแล้วเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันที่จิตที่ยินดียินร้ายนี่ มันไปคิดนึกปรุงแต่งแล้วจิตเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันที่จิตซึ่งยินดีนยินร้ายนี่เห็นหสุดท้ายไม่จะบีบลงมาที่จิตตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดานะแต่กระทบแล้วจิตเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาให้รู้ทันฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะในที่สุดจิตจะค่อยๆเข้าไปสู่ความเป็นกลางแต่ไม่ใช่เพ่งให้เป็นกลางมันเป็นกลางเพราะมันเห็นความจริง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียกว่าไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างทนอยู่ในภาวะอันแดนหนึ่งไม่ได้เรียกว่าทุกขังเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นไปตามเหตุมันสั่งไม่ได้หรอกบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาแม้จิตจะมองเห็นรูปห้ามได้ไหมจิตจะไปดูรูปจิตจะไปฟังเสียงจิตจะไปดมกลิ่นจิตจะไปลิ้มรสจิตจะไปคิดห้ามไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปห้ามมัน รู้ทันเท่านั้นมันทำงานอะไรขึ้นมาคอยรู้ทันเมื่อมันทำงานกระทบอารมณ์ทางทวาวรทั้ง6แล้วนะมันเกิดปฏิกิริยายินดียินร้ายอะไรขึ้นมาข้อคอยรู้ทันซ้าเข้าไปอีกทีหนึ่งนะนี่ฝึกอย่างนี้นะในที่สุดเราจะสามารถรู้สภาวะธรรมทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาด้วยความไม่ยินดียินร้าย8ปดโมงพอดีสังเกตไม้มพอบอก8ปดโมงพอดีจิตเคลื่อนเลย ดูนาะฬิกาก่อนใช่เปล่าหลวงพ่อหลอกเปล่าไหมไปไปทานข้าวนี่มนเลยครับเนี่ย